อาจารย์ครับการนิทรรศการครับจันทรพรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับอาจารย์ครับวันนี้สี่ปีแล้วครับผมจัดรายการได้เมตตาจากพระอาจารย์นั่งคุยกันครบสี่ปีครับอาจารย์ครับไม่ไม่ได้ขานเลยใช่ไหมไม่ขาดแต่อาทิตย์เดียวเลยครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมสี่ร้อยแปดสิบกว่าคนนะก็ดูเป็นปกติแล้วนะครับ ก็หลวงพ่อสมควรครับ<น>บางบ้านนี้ก็มีประมาณสองร้อยบ้านพายสองร้อยครับผมร่วมรวมกันต้องบอกเกือบแปดร้อยกว่าเกือบเก้าร้อยครับอาจารย์ครับตอนนี้ชมกันทุกช่องทางตอนนี้ก็ประมาณแปดร้อยกว่าคนครับอาจารย์ครับอือาจารย์ครับครบสี่ปีแล้วก็เลยอยากเอาหัวข้อที่ผมเชื่อว่าทุกคนสนใจครับอาจารย์ครับอยากเป็นพระสวดด้าบันต อาจารย์ครับกลับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยครับผมมันยากก็ได้แต่มันมันญามันไม่ใช่ง่ายคือมันฟังว่ามันง่ายเพระสวดามันก็ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติได้มากถือศีลห้าแล้วก็มันรู้ได้ถ้ามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราว่ามันไม่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเวลาจะทําจริงๆมันทำยาก พอรารักร่างกายนี้มากเราห่วงร่างกายนี้มากแล้วไม่อยากให้มันเป็นอะไรไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตายเห็การที่เราจะหยุดความอยากนี้ได้มันต้องมีกําลังของสมาธิมาช่วยสนับสนุนที่มันยากยา ก, ยากตรงที่ทําสมาธินี่นะครับถ้านางทาสมาธิทําจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิเป็นมุขบัญชาญสีได้มันก็ มันก็จะไม่ยากตอนที่พระเจ้าทรงสแสดงทำข้ั้นแากให้กับพระบรรจรวิคีถ้าพระบรรจรวิคีท่านมีรูปฌานขั้นเข้าฌายกันได้ทั้งหมดแล้วเราทรงสอนว่าให้มองให้เห็นว่าร่างกายกรรมฐานนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่เทีย่ยงเราไม่ไปสามารถไปห้ามมันได้เวลามันจะตายเวลามันจะเจ็บนี่ เราเป็นแบบปล่อยวางเฉยๆนับนู้นเฉยๆถ้าใจมีสมาธิระดับชาญมันก็นับเฉยๆได้ก็ปล่อยได้พอไม่มีความอยากเองร่างกายไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็หายไปก่อนนั้นไม่รู้ว่าใจของความทุกข์คือความอยากอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์นึกว่าจะมีฌ า, านแล้วก็ตายแต่ไม่มีปัญญา เวลาร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายก็ทุกกันต้องต้องหนีเข้าฌานกันเทนั้นสมัยนั้นต้องหนีเข้าฌานก่อนที่พระเจ้าจะตัดเซลล์ อ, อ น, นิยัสศศสัตตีไม่รู้สาเห็นว่าจะดับความทุกข์ได้ไงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในฌานรูเน้เพียแต่ว่าเวลาทุกข์ใจถ้าอยากจะพ้นอย่ากจะหนีจากทุกข์ก็เข้าฌานไป แต่มันก็นหนีได้ชั่วข่าวเดี๋ยวออกมามันก็เจอทุกอีกแต่อู้ใจในสองคนเพราะว่าใจที่ใจทุกข์ของว่าใจปริยาให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายปรอยากให้เกิดทุกขเวทนาแต่มันสิ่งมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาต้องเจอกันทุกคนความเจ็บความตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เพียงแต่อย่าปริยาให้มันไม่เจ็บไม่ตายนะยอมยอมรับมันตามความเป็นจริง ใจก็จะไม่ทุกข์อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้นั้นแนหะนี่คือเคล็ดลับของการเป็นสวดามันง่นายเลยให้เราอยอมรับความจริงของร่างกายกับของว่ามันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายลองลองไปพิสูจน์ดูตอนที่เราเป็นโรคมะเร็งหรเป็นโรคที่หมอบอกรักษาไม่หายแล้วดูสิว่าใจเรายังจะทุกอยู่หเปล่า ถ้าใจเราไม่ทุกข์กเป็นสุราบันได้แค่นี้แหละ ง, งั้ยๆมันยากตรงสมาธินี่นะครับอาจารย์นั่งสมาธิห้าอันธิษฐานเครื่องยิงมองนี้นั่งแล้วยังเหนยังเหนยเลยมันไม่นิ่งใจมันไม่ยอมนิ่งมันไม่ยอมอยู่เฉยอาจารย์ครับแต่ปัญญาที่ฟังเอาไวน้นี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ เดี๋ยวเวลาที่ได้สมาธิขึ้นมาก็จะได้มาใช้เลยใช่ไหมครับใช่ใช้ได้เลยปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามยยะปัญญาไปอันนี้เป็นสุตตะเป็นจินตาตก็คือปัญญาที่ได้ยินได้ฟัมาจินตาก็เป็นปัญญาที่เรามาคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราหยุดความอยากนี้นี้ได้ ยอมนับว่ามันต้องเจ็บต้องตายยามเจ็บยอมตายได้มันก็จะไม่ทุกข์อย่างเวลาไปหาหมอนเนี่ยเมื่อหมอคนจะฉีดยาเนี่ยถ้าไม่ยอมให้ถ้าไม่ยอมเจ็บนี่ยคนมันทาร ม, มานมากแต่ถ้ายอมเจ็บแค่มันแค่ฉีดเข้าไปแป๊บเดียวเอ้ความทุกข์มันก็หายได้มันเจ็บแล้วไม่ทุกข์เท่านั้นถ้าเรายอมแต่ถ้าเราไม่ยอมอะไะ มไม่ยามไม่ยามให้เจ็บนี้ออกมันจะมันจะทุกข์ว่าในใจเด็กบางคนนี่เห็นหมอเรากลัวหมอเราก็โอ้โหครับ <c oughs> อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นพวกเราสะสมสุตตมยปัญญานี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วรอวันถ้าเราได้สมาธิเมื่อไหร่นี้จะกลายเป็นภาวนามายปัญญาอัตโนมัติเลยไหมครับอาจารย์ <c oughs> ถูกต้องเมื่อเราม่อยู่เบรคขาแล้วเร า, าก็รู้ว่าแล้วก็ ห้ามไม่ได้ห้ามเจ็บห้ามตายไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆเพราะเรามีอัปปนาสมาธิเราก็มีอุบเบกขาทำให้ปล่อยวางได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเน้นไปในสมาธิไม่ต้องหลับเข้าไปในสมาธิคือเราได้ได้อุบเบกขาจากการเข้าสมาธิเวลาออกมาเรายังสามารถใช้อุบเบกขาต่อไปได้ในระดับในระยะหนึ่ง จนกว่าอุเบกขาบ้นอ่อนกําลังลงและไม่สามารถอยุดความอยากนะเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเพื่อเพิ่มกําลังก่อนแต่เราจะไม่หนีเราจะไม่หนีความเจ็บความตายในการเข้าสมาธิไปเราจะอยู่แบบจิตปกติใช้กําลังของสติคอยห้ามใจไม่ให้ไปอยากมันต่างแ้วตา่ตากันต่างการตักับช่วงที่ไม่มีปัญญารู้วิธี ยัดเดียวที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์ก็เธอต้องเข้าฌานไปต้องเข้าสมาธิไปเวลาถ้าเกิดความเจ็บขึ้นมามากๆเข้าสมาธิไปมันก็ไม่รับรู้ความเจ็บแต่เพราะว่าหลัมามันเจอความเจ็บอีกมันก็ทุกข์อีกแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมุเจ้าที่สอนว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความอยากอยากไว้เจ็บถ้าหยุดความอยากไม่เจ็บได้ได้ปล่อยให้ยอมรับความเจ็บได้ใจก็จะไม่ทุกข์ อาจารย์ครับเราพระโสดาบันนี่ยังมีเห็นของสวยของงามยังอยากได้ น, นู่นนี่อยู่ไหมครับยังมีกิจตั้งหาอยู่โดยเฉพาะความสวยงามของร่างกายของเพศตรงกันข้ามอันนี้ต้องใช้การพิจารณาสุภาพเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นอาการ32อาการที่มีซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง องร่างกายของคนทุกคนมีข้อกระดูกมีปล่อยมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองอะไรต่างๆนี้ต้องพยาามพิจารณาหรือพิจ า, า, ารณาเวลาร่างกายตายเป็นซากศพเนี่ยเมื่อเปซากศพแล้วความทำงานยินดีในร่างกายนั้นก็หมดไปเกิดความโกลัขึ้นมาเห็นหร่างกายเป็นซากศพแล้วกลัวเคยนร่ด้วยกันต้องเขินแต่พอตายไปนี้เกินนี้ก่อนอนนิด ด้วยกันไมไม่เอาหรือยังยังต้องพยายามนึกถึงน่างกายว่ามันต้องเป็นสร้างศพวันหนึ่งครั้งนี้มันเป็นศพเดินได้ศพที่หายใจได้แต่พอมันหยุดหายใจมันก็เป็นศพแล้วสมบูรณ์ศพจริงเดียเ๋ยวไปเช่นนั้นก็มองก็าไปข้างในมองดูโครงกระดูกนี่ทุกคนม่โครงกระดูก เรามองไม่เห็นกันเพราะถุงหนังละหุ้มห่อไว้ปกปิดไว้เราก็ต้องใช้การพิจารณาอยู่อย่งเดิมพยายามมองร่างกายทีในพยายามให้นึกถึงโครงกระดูกที่อยู่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ละผิวหนังฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะชํานานเวลาเห็นร่างกายมันก็จะเป็นเหมือนตายเอ็กซเรย์มองทะลุเข้าไปเลยเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นลำไส้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วการมาลลมมันเกิดขึ้นไปได้การมลลมันเกิดขึ้นเฉพาะเวลาเราเห็นเฉววัฒนภายนอกเห็นเขาแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมสวยด้วยทำเผ่าทำผมใส่เสื้อผ้าอะไรนี้มันก็เลยทำให้เกิดการมาลลมขึ้นมาแต่ถ้าเรามองทะลุ เ, เข้าไปภายในภายใต้ผิวหนังแล้วมันไม่มีอะไรสวยเลยอย่าง พรังก็บอก beauty skin deep นะทำช่วยแค่ผิวหนังนันเนอองใต้ผิวหนังแล้วเม่อมองทะลุใต้ผิวหนังไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามเลย้ํางกา ย, ยนี้เราก็ต้องพยายามมองให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วการมันลงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ส่วนรูปเสียงกินวันนี้พระสงาบางนก็ยังชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มอยู่ มันก็เต็มรูปเซ็งนต์นั่นอยู่มันก็เป็นส่วนของกลางเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องพิจารณาว่ามันก็เป็นของไม่เทีย่ยงสุขแค่เวลาไปเทีย่ยวไปสัมพันธสพอเวลามันไม่ได้เทีย่ยวไม่ได้สัมพัสมันก็การอาการทุกความไม่สบายใจขึ้นมาการข้ามวู่นวิตขึ้นมาได้มันกับการร่วมเพ้นก็แบบเดียวกันแต่วนะ่าอันนี้ท่านยากหนึ่งสองชนิด ร่วมเพศกับน้องชายสุภะแก่การอยากร่วมเพศส่วนการอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็พิจารณามันเป็นของชั่วคราวไปเที่ยวกลับมามันก็หมดไปต้องไปเที่ยวยนย้ส่วนส่วนสังโยชน์อีกสองข้อมันเป็นมันมาเป็นทวงคือความสงสัยหนึง่งคือพระธรรมกับศีลพตรตาพรมคือมันเวนลาเราพิจารณาปฏิบัติ เราก็จะเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นทุกสมุทัยนิรนันร์มรรคเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นคําสอนของพระเจ้าเราก็จะไม่สงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรอือไม่พระธรรมคาสอนนี้เป็นเป็นของวิจิงหรอือไม่แล้วผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมก็คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราก็ได้เป็นพระอริยบุคคลได้ขข ก็เราจะไม่สงสัยในพระุธรรมประสงค์ไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อเพื่อไปดูสถานที่ประสูติตัรนุวรรณ์นิพพานเพราะเราเห็นจากการปฏิบัติของเราในใจของเราวินาตาเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเมื่อเห็นตถาคตก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิ ป, ปฏันโน ก็จะไม่สงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมวาสมว่าเป็นของจริงหรือไม่ถ้าเวลาปฏิบัติก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์นี้เกิดจากความอยากหนึ่งเกิดจากความการทําทําบาปหรือทําบุญอย่างหนึ่งถ้าทําบาปใจก็ทุกข์ถ้าเกิดความอยากใจก็ทุกข์ถ้าทําบุญใจก็สุขก็จะไม่ลูบธรรมในในศีลศีลธรพมปัจปรานี้หมายใึงว่า ไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอย่างไรเห็นข้อนี้ออสองยอดข้อนี้ก็จะไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะรักษาศีลจะไม่กล้าทําบาปเด็ดขาดพอทําบาปแล้วจะเห็นโทษเกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบาปใจจะทุกข์จะร้อนแล้วก็จะรู้ว่าละมุนละมายก็คือความทุกข์ร้อนของใจนี่เองเวลาที่ร่างกายไม่มีเวลา ร่างกายตายไปใจี่ก็จะอยู่เป็นสภาพของอบายหรือสวรรค์เนี่ยถ้าทำบาปมันก็จะทุกข์ร้อนมันก็จะเป็นอบายขึ้นมาก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําบาปเป็นเด็ดขาดรักษาสี่หน้จะทําแต่บุญเป็นกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับอาจารย์ครับก็เหตุผลเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ไ อ, อ, อน์สไตน์ถึงยอมรับ คำสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนที่เขาเขายอมรับก็คือเป็นเหตุเป็นผลเป็นสังติพิสูจนได้อาจารย์ครับมีตาําราเขาบอกว่าความสุขของพระโสดาบันนี่สุขมากๆสุขแบบพระพมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ครับเรามันสุขตั้งแต่ได้สมาธิแล้วนะถ้าได้อานทีไรนี่มันเป็นความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตติสันติประลังสุ ข, ขังเพียงแต่ว่าความสุขของของฌานมันเป็นความสุขแบบชัว่วคราวขณะที่อยู่ในฌานเวลาออกมาความสุขนั้น ก, ก็หายไปแต่ความสุขของพระโสดาบันนี่มันมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนคือความไม่กลัวตายต่อไปความไม่กลัวเจ็บต่อไปอันนี้มันเป็นสุขสุขที่ยั่งยืนถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ เปกษัตริย์ก็ไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้คือความไม่กลัวเจ็บความไม่กลัวตาย ต, ต้องปฏิบัตินคนที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่บางคนก็ดูเหมือนกับเขาเข้าใจในความตายอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เขาก็ยอมรับความตายอย่างนี้เขาเป็นพระโสดาบันด้วยไหมครับก็ <S <S ไม่ทราบว่าเขาเห็น อ, นอนริยสัจสี่หรือเปล่า ก็า จ, จะเห็นเพียงแค่เห็นตายรักคือเขาอา จ, จะเห็นอ น, นิจจังว่าร่างกายจะต้องตายแล้วเขายอมรับได้แต่ก็ยังไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเขายอมรับเพราะแล้วเขาหายทุกข์เพราะอะไรนี่ก็อาจจะไม่รูมนกระบวนการของการดับทุกข์เพราะความทุกข์ใจของเขาก็ดับด้วยด้วยการยอมรับความจริงหยุดความอยากไม่ตาย อันนี้มันไม่ไม่ไม่ไแน่ใจ เ, เพราะบางคนก็ยอมตายเป็นานานบางทีก็ยอมตายเมื่อมันอยู่ในเหตุการณ์ขับขันเนี่ยไม่ ร, รู้ว่ามันไม่มีทางว่าก็ยอมตายแต่มันไม่เห็นกระบวนการของอ น, นุญาตสัจสีครับผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวขอเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้สักถามบ้างนะครับไปสคอบถามเข้า ม, มาได้นะครับ อาจารย์ครับคุณอัญเชลีถามบอกว่าข้อที่หนึ่งครับถ้าเราทำบุญให้กับพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่ดีโดยที่เราไม่รู้อันนี้สงผลบุญจะลดลงไหมครับไม่ลดหรอกเหมือนกับเราทำบุญกับสุนัข เ, เราก็ได้บุญเท่ากันกับทำบุญกับคนคือผลที่เกิดจากการให้การเสียสละแบ่งปันของเรานี่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่รับอนองค์ที่รับจะเป็นพระก็ได้เป็นดสัต์เดรัจฉานก็ได้เหมือน เขาเป็นเพลงแต่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุที่ทำให้เราได้ทําบุญนะอะไองคือมีผู้รับก็เป็นเพลงผู้รับของของเราไปแต่บุญเกิดที่ที่ใจของเราเกิดที่เราชนะความตนันนิความยึดมั่นถือมั่นในเงินทองของเรานี่ต่างหๆที่เราได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่เขารับเป็นใครเลยในกรณีถ้าเป็นบุญที่เกิดจากการให้เนะีีะคือถ้าท่าน ถ้าเป็นบุญที่เกิดจากที่เราได้มาจากผู้ให้ผู้ผู้รับของเรานี้อาจจะต่างกันอย่างที้ก็พูดถ้าเลี้ยงสุนัขให้อาหารสุนัขสุนัขมันอาจจะเฝ้าบ้านให้เราคอยเห่าคอยไล่ขโมยให้เราแต่ถ้าเราให้อาหารกับพระภิกษุถ้าท่านเป็นพระอาริยะเราก็ได้คุยกันเรื่องนี้เรื่องพระสังโยชน์เรื่งบรรลุเป็นพระโสด า, า์บันอันนี้ต่างกันบุญมันมีสองสองกระท ong ด้วยกัวิธีไนเวลาเวล า, าทำบุญ กระทงง่ายก็เกือบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันเราชนะกิเลสเราชนะความหวงความยึดติดในเงินทองอันนี้ไปเราก็ได้ความสุขใจออกมาดัง น, นัจะทํากับใครก็เหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนที่เราไป ท, ทําบุญด้วยนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าเขามีอะไรให้เราไปทำกัษณ์เขาเขาก็หางเฝ้าบ้านให้เรา ไปทำบุญแต่โรงยบายก็าจะได้เรีนรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากคุณหมอถ้าไปทำบุญกับพระถ้าเป็นพระอริยะสงฆ์ท่านก็จะสอนเรื่องเรื่องอริยะขั้นบรรลุของอริยะต่างๆแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่รู้แต่แค่ศีลสมาธิอยไม่เป็นท่านก็จะพูดได้แต่เรื่องศีลอย่างเดียวท่านทบอกว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดาก็ได้หนึ่งเท่าทำบุญกับพระที่ ได้สมาธิก็ได้สิทธบเท่าถ้ามกับพระที่ได้บรรลุบรนพระอริยะก็ได้น้อยเท่านี้เพราะประโยชน์สูงที่จะได้จากบุคคลอนตสานกันเนี่ข้อที่สองครับเวลานั่งสมาธิเราจะรู้ได้ไหมว่าเรานั่งอยู่ในระดับชั้นไหนจะทราบได้อย่างไรครับคือเราไม่รู้ว่ามันขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเป็นยังไงถ้าเราไม่ไปอ่านตำรา แต่เราจะมรู้ว่าใจเรามันสงบขึ้นเป็นบางครั้งมันก็สงบเป็นขั้นขั้นเป็นเหมือนเข้าวเกียร์เกียร์เป็นเกียร์รถจากเกียร์หนึ่งข้าเกียร์สองจากเกียร์สองข้าเกียร์สามบางครั้งมันก็สงบแบบพรวดพราดลงไปเลยจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สี่เลยแต่จุดหมายปลายทางก็คือเข้าถึงฌานรูกประฌานขั้นที่สี่จิตนิ่งสงบปล่อยวางนิ่งเฉย มีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนพระที่สามครับพระสงฆ์สามารถซื้ออาหารเองได้ไหมครับก็โดยปกติแล้วพระสงฆ์จะไม่ให้ไม่ให้มีเงินทองไว้ซื้อข้าวซื้อของถ้าจะซื้ออาหารเราให้ลูกเส์เป็นผู้จัดการให้อย่างพระสงฆ์จะไปไหนเดินทางไปไหนนี้เราต้องรับประทานอาหารนี่ก็ต้องมีลูกเส์เป็นคนจัดการให้ คือพระสงค์นี่ไม่สามารถเอาเงินทองถึงแม้จะเป็นของที่ญาตโยมถวายให้แต่ก็ห้ามเก็บไว้เองต้องฝากไว้กับลูกศิษย์คนที่ไว้ใจได้แล้วเวลาต้องการอะไรที่ขาดแคลนเช่นขาดแคลนอาหารก็ให้เขประจักอาหารมาให้ขาดแคลนจีวรครับเขาจัดจีวรมาให้พระไม่สามารถที่จะพกเงินติดกระเป๋าติดย่ามเพื่อไปซื้อช้อปปิ้งเหมือนญาติโยมทําได้ อาจารย์ครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากเป็นทั้งโสดาทั้งอรหันเพราะถ้ามีตัวอยากจะไม่ได้อะไรเลยจริงไหมครับคือความอยากมันมันมันมีสองอย่างอยากากที่เป็นกิเลสกับความอยากที่ไม่เป็นกิเลสภาษาเรามันบางทีมันมันแยกไม่ได้ความอยากที่ไม่เป็นกิเลสเราเรียกว่าฉันทะฉันทะวิริยะอิทิบาทสี่คนเราจะทำอะไรทาอะไรได้มันก็ต้องมีมีฉันทะวิริยะ ต้องมีความยินดีกับการปฏิบัติธรรมเห็นการความอยากเป็นโสดาบัน น, น, น, น, บนีไม่เป็นกิเลสคุยง่ายๆควาอยากเป็นพระอริยบุคคลไม่เป็นกิเลสไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับใจเมือนกับความอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นสวเป็นนานานไม่ใ <c oughs> ห้รูปวดวาระอเนี้ยพอถึงเวลาปวดวาระมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่เหมือนกันอยากความอยากไม่เหมือนกัน เราต้องแย ก, กว่าความอยากที่เป็นกินเลสกับความอยากที่เป็นธรรมเราอยากที่เป็นธรรมนี่อยากได้คนเราต้องอยากไปสวรรค์อยากอยากเป็นคนดีคนเราถึงจะไปทําความดีกันในชะ่ไหมถ้าไม่มีความอยากเป็นคนดีไปทําเราก็จะไม่ไปทําความดีกันเอียนพัาจย์ครับตอนนี้จริงๆหลายครั้งก็รู้สึกอยากให้หมดวาระเร็วๆแล้ ว, ลวครับพัด <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> จันนอนแต่เรือ่องบุญนอนใจนะครับแต่ก็ แต่ก็พยายามพยายามทําใจไปวางได้ตามที่พระอาจารย์สอนนะครับไม่ไม่ได้ทุกอย่ามากครับก็ทําไปตามหน้าที่ครับพระอาจารย์ครับ อ, อดีแล้วนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีทําสําเร็จก็ก็ดีไม่สําเร็จก็ดีเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวครับที่เราให้มันสาเร็จขึ้นมาได้มันเดี่ยวข้องกับคนหลายคนด้วยกันคุณหนุ่มน้อยถามว่าจะซื้อเสื้อกันฝนถวายพระได้หรือเปล่าครับ เออได้ทำบางงานพระท่านยังไม่ใช่เสื้อผ้าเหมือนญาตโยมถ้าจะใช้กันฝนนก็จะใช้ล่มแทนอะไรที่เป็นเหมือนกับของคารวะในพระพย า, ยาจะเด็กเรี่อแม้เดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ควรใช้กระเป๋าแบบที่ญาตโยมใช้กันะสมัยหลวงตาไปไปต่างประเทศท่านก็เอาใบาของท่านไปเหมือนท่านไปทุดงในป่า้าไม่มีกระปกเป๋าอะไรไ ก็บาดแล้วถ้าก็เอาเอาจีวงเจวอของชายนั่งใส่ไปในบาทใบเดียวว่าถ้าไม่มีอะไรมากอัฐบริฐารอะไรของสมบัติที่พระฉัยอยู่ครับถ้าติดเหล้าจะต้องแก้ไขยังไงครับก็อย่าไปอยู่ที่มีเหล้าให้กินเลยไปอยู่วัดนี่ต้องอยู่ห่างไกลพอห่างไกลแล้วมันก็จะทําให้เราลืมมันได้ถึงถึงแม้จะอยากแล้วก็ไม่สามารถไปหามันได้ นอกจากเราแหกข้อออกไปเองอยู่ว่าแล้วกัแนแล้วเดี๋ยวไปตอนคืนไปหาเล้ากินคร้ก็ช่ว ย, ย, ไ, วยวไม่ได้แสดงว่าใจเราไม่ไม่มีความกล้าพอไม่มีกำลังพอที่จะสู้ความยาก็แบบที่คนติดยาเสพติดเขาไปอยู่ที่วัดทํากะบอกกันได้ยินเชื่อเสียงว่าแล้วเขาก็จะมีควบคุมมีมีกิจกรรมให้ทา ทั้งมีการกินยาสมุนไพรกินเพื่อที่จะทําให้เบื่อกลายความเบื่อขึ้นมาอันนี้ไม่ไม่ทราบกระบวนการแต่ก็มีคนที่เข้าไปรักษากันเนยอะก็ต้องเปสถานที่ก็มีการบําบัดดีที่สุดที่วัดก็เพียงแต่ว่าเป็นที่ที่เราไม่สามารถเข้าถึงสุราได้แต่เราจะสามารถห้ามใจเราไม่ให้ออกไปจากวัดได้หรือเปล่านั่นเอง ต้องไปวัดป่านไม่ใช่วัดอยู่ในเมืองนะวัดในเมืองมันมันมีบาร์อยู่ข้างๆมีร้านขายเหล้าอยู่ตรงข้ามมีร้านเซเว่นเต็มไหมดนี่เ็น้างมีอยู่ที่ไกลจากการที่เราจะสามารถเข้าถึงสุราได้แล้วก็มีการฝึกขันปฏิบัติทํานั่งสมาธิยังริงสติมันก็จะช่วยบรรเทาได้คุณอ้อโป้ถามว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วอย่างนี้ไฟสูงเกินไปหรือเปล่าครับ จะสูงจะต่ำไม่สําคัญเนะีมันถ้าเป็นความอยากเราก็ถือว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์นะเมือนเัาเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากให้มันหายไหยอยากเราก็อยากมันจะสูงขนาดไหนมันจะยากขนาดไหนเราก็อยากมนะันทั้งนั้นเพราะไ ม, มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยากทราบว่าการมีชีวิตอยู่ยืนยาวเป็นแปดสิบร้อยปีมันดีจริงๆหรือครับ ดีอย่างเดียวก็นั่นดีเพื่อเอาเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่มีถ้าไปทำ่าอื่นก็ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ไปสะสมสะสมการเวียนว่าตายเกิดให้มีมากขึ้นถ้าเราอยู่เพื่อราบยศเสริญอยู่เพื่อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันเปนการทตอบสนองความต้องการคือตัณหาความอยากยิ่งทำตอบสนองตัณหามากเท่าไหร่ตัณหาก็จะมีกาลัง มากขึ้นไปที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆฉนั้นถ้าการไปอยู่ของเราเป็นนานนี้อยู่เพื่อตัดตัณหาตัวเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดให้มันหมดสิ้นไปจากใจให้ได้ชีวิตมีแค่เนี้ยคุณค้าของชีวิตมีไว้เพื่อสําหรับตั ด, ดตีเลตตัณหาที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ปุจิลครับบอกว่าอาทิย์ก่อนปลื้มปิติสุขเหลือเกินครับที่ได้ไปกราบพระอาจารย์ฟังธรรมน้กกุฏิรู้สึกเป็นบุญมากๆนะครับบอกว่านึกถึงที่ไรก็สุขใจตลอดครับถ้าเราฝากของเพื่อนไปใส่บาตรเราได้บุญด้วยไหมครับอาจารย์ของของเราเราได้บุญเป็นของของเราเราได้บุญเป็นแต่เราขาดบุญที่เกิดจากการกระทำของเราคือการเดินทางไปวัดน่เท่านั้นเองขาดการทำความเพียร แต่บุญของที่เราให้ไปนี้เป็นของเราแล้วเราก็ได้เต็มเลยคนที่คขารับฝากเขาไม่ได้เลยบุญส่วนนี้เป็นของเราทั้งหมดของที่เราบริจาคไปนี้เป็นของเราทั้งหมดการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดไม่ต้องมาเป็นทุกข์เข้าถึงความจริงแบบนี้ยังไม่ถือเป็นโสดาบันใช่ไหมครับต้องปฏิบัติกันอย่างไรต่อไปจึงจะเป็นโสวดาบันครับก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ ไหวให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตายไม่ทุกข์กับมันไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายคุณทะลิศบอกว่าตอนปฏิบัติก็รู้เข้าใจครับแต่พอไปดําเนินชีวิตประจําวันก็ลืมจะทําอย่างไรให้ความรู้ความเ ข, าเข้าใจของเราอยู่ตลอดไปครับก็ต้องคิดอยู่เนื้อพิจารณาอยู่เนือเน อ, อยู่ทั้งวันตลอดเวล า, ามันจะได้ไม่ลืม พอเราไปทํางานอย่างอื hmm. okay. gonna, uh ่นไปคิดเรื่องอื่นบ้างเก็ลืมละเรื่องนี้รบกวรพระอาจารย์สอนวิธีการเดินจงกรมอย่างละเอียดจําเป็นต้องหยุดที่หัวจงกรมและปลายจงกรมเพื่อระลึกรู้สึกตัวไหมครับไม่หยุดได้ไหมครับก็ต้องหมุนกลับอ่ะมันก็ต้องหยุดนะพอถึงายทางแล้วมันไม่หยุดไหมก็เดินเดินทะลุไปมันก็พอพอถึงสิ้นสุดปลายทางแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็หันกลับแล้วก็เดินต่อ เราสามารถเดินจงกรมแล้วเราพิจารณาทําไปได้นะในขณะที่เราเดินเลยไม่จําเป็นจะต้องไปหยุดแล้วค่อยไปพิจารณาการเดินจงกรมที่เราสามารถทําได้สองสองอย่างด้วยกันเจริญสติก็ได้หรือเจริญปัญญาก็ได้เจริญสติก็คือเราก็เดินไปให้มีสติรู้อยู่รู้อยู่กับเท้าที่เราเดินก้าวไปก้าวมาหรือรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เป็นการเจริญสติ ถ้าเรานการเจริญปัญญาเราเดินไปแล้วก็พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายไปก็ได้ว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจมันเป็นหน้าตามันไม่มีตัวมีตนมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปห้ามไปสั่งมาไดนนา้พิจารณาคือต้องยอมรับความจริงนี้ให้ได้พอยอมรับได้มันเป็นอันนี้เป็นเพียงแตการทําการบ้านเพราะรายังไม่เจอของจริงก็ต้องรอพิสูจน์ไปหาของจริงดูง เช่นดั้งให้มันเจ็บสมมติว่ามันเป็นอาการเจ็บที่เกิดจากการเจ็บไายได้ป่วยที่เราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันหายได้หรือสิว่าเราจะอยู่กับมันได้หรือเปล่าไม่ทุกกับมันได้หรือเปล่าแล้วถ้าเรื่องของความตายก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวดูที่อาจจะมีภัยต่อต่อชีวิตของเราได้เช่นไปอยู่ในป่าอยู่ท่ามกลางสิยงสารสร้อน์ต่างๆแล้วดูสิว่าเรากลัวไม่กลัวมันก็จะ มันก็จะบอกให้เรารู้ว่าเราเราหลุดนึง่งหลุดพ้นจากความทุกข์หไม่ต้องมีเหตุการณ์ที่มาท้าทายต่อความต่อชีวิตของเราความอยากกับความโลภต่างกันอย่างไรครับตัวเดียวกันเพียงแต่ท่านใช้ต่างกันแน่ความโลภความอยากนหมายถึงอออยากในสิ่งที่ไมนจําเป็ น, ปนต้องต้องมีเช่นถ้าเรา ต้องมีปัจจัยสีน่นี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นความอยากแต่เป็นความจําเป็นยกเว้นว่าถ้าต้องการแบบพิสดารเนี่ยถึงจะเป็นเช่นกิวรต้องเป็นผ้าไหมต้องเป็นผ้าพิเศษอาหารนี่ต้องเป็นอาหารจากร้านนูน้า น, นี้มาเสิร์ฟให้เลยดำนอง น, น, นี้ถ้าอย่างเงี้ยถึงจะเป็นความโลภความความอยากแต่ถ้ากินตามมีตามเกิดเึ่นไปบินธบารได้อาหารที่เขาสายบาสมาให้ก็ mm hmm. กินไปตามมีตามเกิดอย่างนี้ ไม่ถือว่าเป็นความโน้มเป็นความอย่างนอกจากว่ากินกินเกินความจําเป็นร่างกายพอแล้วแต่ใจยังไม่พออย่างนี้ก็เป็นความอย่างได้คุณพีรักครับกลับเวียนถามหลวงพ่อเรื่องศีลแปดครับถ้าวันนี้ผมตื่นมาจะถือศีลแปดผมแค่คิดในใจว่าวันนี้ตลอดจนเข้านอนจะถือศีลแปดเพื่อควบคุมกายและวาจาได้หรือไม่ครับได้เราอธิษฐานจิตได้ เราเลยว่ต่อไปในวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลาหลับเนี่จะรักษาสินแปดให้ไปได้ตลอดก็ถือว่าเราเป็นสมาทานสินนะคุณประหยัดถามว่าเขากาบครับการให้ทานอะไรที่จะมีอนิสงส์งสูงที่สุดครับคือถ้าให้ออนิสงส์งกับใครนะถ้าให้ออนิสงส์งกับเรา ก็ให้หมดเลยให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างสละเงินทองสละสมบัติเราจะได้ไปบวชได้เพราะถ้ามีทรัพย์สมบัติเงินทองมันก็ต้องมีความผูกพันจะต้องคอยดูแลอะไรต่างๆดังั้นการให้ทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีอยู่ให้หมดไปเลยอย่างพระพุทธเจ้าสะละราชสมบัติเนี่ยเป็นธีการให้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะจะทําให้เราสามารถไปบวชได้ แต่ถ้าเรายัางติดขัดกับเรื่องการเลี้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองอยู่เราก็ไปบุดไม่ได้อันนี้หมายถึงผลที่จะได้รับประโยชน์จะผลประโยชน์ที่ผู้ผู้ให้จะได้รับนะแต่ถ้าเรียนถึงผู้รับว่าประโยชน์สูงสุดของผู้รับควรจะเป็นอะไรจากควรจะให้อะไรเขาดีก็ให้ธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดให้ธรรมะก็จะทําให้เขารู้จักเรื่องวิธีการหลุดพน้นจากความทุกข์ แล้วถ้าเนาเดออกไปปฏิบัติเขาก็อาจจะลดท้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าให้เงินทอ ง, ของเขาอย่างมากก็ไปดับความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ความทุกข์ทางใจนี้เขาไม่สามารถดับได้ด้วยเงินทองคุณสมพรครับขออนุญาตคุณสมบัติของพระโสดาบันจากพระอาจารย์ครับก็นี่ยไม่กลัวความแก่วความเจ็บความตายไม่กลัวความพันทายจากกัน ไม่ทุกข์ก็ได้แต่ว่าไม่ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการสูญเสียพราดาดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้บุกคลนั้นบุคคล น, นี้แล้วก็จะรักษาศีลอย่างอย่างมั่นคงจะไม่ทํำบาปโดยเด็ดขาดไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่างกรณีถ้าเราตั้งใจทำบุญจริงๆแต่พระไม่เอาไปทำบุญใครบาปครับคนต้องเนื่องกันเวลาเราทาบุญนี่เราเราก็ได้บุญเราเสียสละเงินทองไปนี่ส่วนพระนี้ท่านรับแล้วก็อยู่ที่ท่าไปใช้ทางไหนถ้าท่านเอาไปเล่นการพนันท่าน ก, ทานก็ท่านก็ทำทาผิดยับตัวท่านเองไม่ว่าใครก็ตามไ ม, ไม่ไม่เป็นพระก็เหมือนกันเช่นเราให้เงินลูกไป ไปจ่ยายค่าเล่ียนแล้วลูกก็ไปเล่นการพนันอย่างนี้ลูกก็ผิดเหมือนกันก็ได้ลูกก็จะได้รับโทษจากการไปเล่นการพนันเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเป็นพระนี่มันเป็นคารละวาดแตมาอยู่ที่การกระทําของบุคคล น, นั้นว่าเอาเงินไปใช้ในทางไหนถ้าเอางินไปใช้ในทางที่มีคุณมีประโยชน์ก็ได้ประโยชน์เช่นถ้าเอาเงินไปซื้อข้าวกินไปซื้อปัจจัยสีมาเล่อยู่ร่างกายก็ได้ประโยชน์หรือว่าถ้าเอาไปทำบุญต่อก็ได้บุญีก ได้ได้เงินได้เงินมาแล้วก็แทนที่จะเก็บเอาไว้ใช้สําหรับส่วนตัวก็เอาไปทําบุญบรยจากสร้างโรงเรียนนั่งสร้างโรงพยาบาลนั่งอย่างครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านสร้างโรงพยาบาลน้องแปดร้อยนท่านไม่มีไม่มีใครรู้ท่านไม่ได้มาประกาศบอกก็อยู่ที่การนาไปใช้เงินว่าใช้ไปใช้ในทางไหนใช้ไปกับกิจเดชก็ผิดใช้ไปกับการสงเคราะห์โลกก็ถูก น้องตาทั้งก้าไปใช้กับการส่งเคาะ์โลกแล้วชุกยุคแลกๆก็จะมีโรงพยาบาลมาขออุปกรณ์เครือ่องมือเครื่องมือรถพยาบาลท่านก็ท่าน ก, ก็ช่วยเต็มที่ไม่าดขาดหรืออะไรทั้งการจัดการให้ต่อมาพอเจอยุคที่มีฟองสบู่แต่อะไเนี่ยไอแม่เป็นนี้เยอะท่านก็เลยมาระดมช่วยให้ญาติโยมมาทําบุญเพื่อชาติแทนมาจากเงินเข้า คงฆ่ากองค้ากันแต่ถ้านไม่ได้เก็บไว้ใช้กับตัวท่านเลยถ้าไม่ได้เอาไปซื้อรถเบนซ์มาขี่ท่าไม่ได้เป็นไปสร้างกุฏิรูหราหรือะไรทำลองนี้ท่านไม่มีถ้านก็อยู่ก็กติของท่านเหก็ไม่มีเหมือนกับตอนที่ท่านไม่มีเงินไม่มีทองอาจารย์ครับตอนผมเป็นหมอใหม่นี้ยังมีผอเขาก็สั่งครับเพราะว่าถ้าเจอหลวงตายเข้าไปขอรถพยาบาลคันนึงนะครับแต่เขาไปไม่ถึงนั้นครับ ่นครับผมเพศคารวาสสามารถเข้าถึงโสดาบันได้ไหมครับได้ทุกคนน่ไม่ว่าคารวาสหรือลักบวชหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ขอให้มีปัญญาและมีสมาธิที่จะสามารถทำตามปัญญาสอนได้ก็คือให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางความเจ็บให้ได้ เมื่อพบพระสงฆ์ซื้อลอตเตอรี่ผิดพระธรรมวินัยไหมครับมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีมลอตเตอรี่แต่ว่าทางทางพฤติกรรมมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ไม่ชอบอนยะู่แล้วว่าสิ่งที่พระสงฆ์ควรจะซื้อก็คือปัจจัยสี่ทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าสม ม, ส ม, มาสมประโภคเวลาญาติโยมถวายปัจจัยนี้เขาจะมีใบาปาวานาแล้วเขียนว่าขอถวายถวายสมประนบฤกร์มถวาย ยีวอนอาหารบินนบาาถ้ากุติต้องซ่อมแซงอะไรก็กุติที่อยู่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปซื้อยามารับประทานคญใหญ่ถวายซนี้เพื่อให้พระสงฆ์เอาไปใช้เพื่อรักษาเลี้ยงดูร่างกายของท่านเพื่อท่านจะได้ใช้ร่างกายนี้มาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเท่านั้นนในสมุย น, นี้มันก็มีค่าจใจ้จ่าย อ, พอพื่นๆคอบครูตามมาตามยุคตามสมัย อันนี้ต้เดินทางเดินทางก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายสําหรับค่าเดินทางบางทีก็มีสมัยนี้ต้องมีการติดต่อกั น, านทางทางโทรศัพท์มือถือก็ต้องมีการจ่ายค่ามือถือต้องมีการซื้อมือถือแล้วอันนี้เป็นถ้าเป็นพระที่ยังสังคมอยู่มันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้แต่ถ้าเป็นพระป่าพระที่ปฏิบัติไปอยู่ในป่าแในเขาไม่ติดต่ออะไรของเหล่านี้ท่านก็ไม่ใช้ คุณพิสิทธิ์ครับรูปภปพกับอรูปภพต่างกันอย่างไรครับเทวดาและพรหมเป็นอรูปภพใช่หรือไม่ครับไม่ใช่เทวดานี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกายทิพย์ที่ที่ได้ทําบุญทําทานรักษาศีลห้าก็จะได้เป็นเทวดาส่วนพรหมนี่ต้องเป็นผู้ที่รักรักษาศีลแปดแล้วเข้าฌานได้ถ้าเข้ารูปฌานก็ได้เป็นรูปภพได้จะเป็นรู ป, ปรภพ ถ้าเข้าอารูปประชานได้ก็จะเป็นอารูปประพมหรืออารูปประพบก็คือก็คือฌานต่างๆนี้เงารมณ ป, ประชานหรื อ, อารูปประฌานคือความสงบในระดับต่างๆนั้นความสงบของรูปประฌานนี้น้อยกว่าความสงบของอารูปประฌานอารูปประฌานนี้สงบมากที่สุด เงินที่คนทําบุญแล้วพระนําเงินที่ทําบุญไปเล่นการพนันแบบนี้คนที่ทําบุญจะได้บุญไหมครับไม่ได้ตั้งแต่ถอยไปแล้วไม่เกี่ยวคนที่เอาไปใช้เงินเนี่ยต้องเป็นผู้ที่จะต้องรับผลบุญแลอผลบาปถ้าเอาเงินไปใช้ประโยชน์กับศาสนาท่านก็ได้บุญหรือเอาไปสงเคราะห์โลกท่านก็ได้บุญเช่นไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาล สางอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์นี้ท่านก็ได้บุญแต่ถ้าเราไปเล่นการพนันไปเดินโซลานี่ท่านก็ได้บาปได้บายเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตยังไม่นับว่าเป็นโสดาบันใช่ไหมครับเพราะเป็นเพียงขั้นความเข้าใจความเป็นจริงแต่ต้องปฏิบัติมีสมาธิเข้าใจไปถึงข้างในจึงจะเป็นโสดาบันได้เข้าใจเช่นนี้ถูกต้องไหมครับใช่ต้องเข้าใจว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ละยอมรับไปได้ไม่สะทกสะท้านต่อความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนั้นจะถึงว่าเข้าถึงเป็นพระโสดาบันไดเพียงแต่เข้าใจวอนที่ยังไม่ได้เจอข้อสอบนีย้ยังพูดไปได้ว่าถึงเวลาเจอข้อสอบใจจะหวั่นไหวหรือไม่เวลาเจอโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาที่รักษาไม่ได้นี่จะหวั่นไหวหรือเปล่า พระอริยสงฆ์จะเข้าฌานสี่ได้ในระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกับพระอริยสงฆ์เรื่องของฌานนี่มันอ ย, อยู่ระดับก่อนที่เข้าสู่ระดับพระอริยะคนที่จะเข้าระดับอริยได้มักจะต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนเข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วต้องเข้าได้นานเข้าได้ไดบ่อยเข้าจนชำนาญสามารถรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่ เข้าชาญหรือออกมาจากชาญล้วถึงจะสามารถที่จะมาใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้โยมจะทำยังไงดีเวลานั่งสมาธิแล้วง่วงบางครั้งหลับไปเลยครับก็ต้องรู้คือมันเดินแทนเดินสมาธิแทนเดินไปก็พุโทโธไป แล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินข้าวมากไปก็รัอาหะทานนมการกินอาหารมากมันก็จะทําทให้การอาการง่วงเหงาหง่อนได้ไ ง, ไงื่อนอาจจะต้องมาถือศีแลแปดละเว้การรับประทานอาหารหลจากเที่ยงวันไปแล้วเป็นต้นจะขอวิธีลดความห่วงความกังวลเราว่าสามารถลดได้อย่างไรครับ ต้องมองความเป็นจริงของชีวิตด้วทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวในนิสัยก็ต้องมีการดับไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายเราทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองเราบุคคลนั้นบุคคลนี้มัน ม, น, มนของเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมินชดาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าใครเป็นพระโสดาบานันหรือว่าเจ้าตัวรู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นครับถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้รถึงเมื่อบอกเราก็อาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่รู้วิธีทดสอบเขาว่าเขาเป็นโสดาบันได้อย่างไรต้องเป็นโสดาบันด้วยกันนะถึงจะรู้เวลาที่เขาพูดเราก็ถามว่าเป็นยังไงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่า เราก็จะรู้อย่างเป็นหมอกับหมอหมอหมอหมอปรมกับหมอจริงคุยกันเดี๋ยวปั๊บหมอหมอจริงก็รู้หมอปอมเป็นยังไงครับอยากทราบสภาวะของฌานที่หนึ่งถึงสี่ครับเวลานั่งสมาธิแล้วไม่ทราบว่าไปถึงไหนครับก็ไปเปิดดูใน Google เนี่ยมีมีบอกไว้เลยฌานหนึ่งมีวิตรวิจารมีเยเราจำไม่ค่อยได้เลยไม่กล้าพูด มีข้อห้ามการใช้ปัญญากรณีมีทุกขเวทนารุนแรงจากโรคเรื้อรังที่ไม่หายไหมครับคือห้ามเดินปัญญาถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิเราสามารถที่จะใช้ปัญญาสลับไปใช้สติไปเลยได้ไหมและบางครั้งจิตหนูมันก็เปลี่ยนเป็นคําบริกรรมบางอย่างเองเช่นยอมยอมยอมจิตมันหมายถึงยอมตายซะ ย, ยอมตายแต่ไม่ยอมเลิกเจริญสติทั้งสาแบบที่หนูถามคือใช้สติปัญญาคําบริกรรม จิตมันทำสลับไปเองแบบนี้ถือว่าผิดไหมครับและมีข้อยกเว้นให้เดินปัญญาถ้ายังไม่ได้อัปนาสมาธิไหมครับไม่มีหรอกวิธีไหนที่ทำให้เราดับความทุกข์ได้กันก็ใช้ได้เหมือนเวลาเราขึ้นบนวิธีโชคโม้วย้วเนี่ยเราจะมามาโชคตามแผนเราไม่ได้้วพอถึงเวลาจริงๆมันทีอาจจะต้องปรับแผนให้เขากับสภาพความเป็นจริงวิธีไหนที่ทาให้เราหายทุกข์ก็ใช้วิธีนั้นได้เลย เป็นสมาธิก็ได้เป็นสติก็ได้เป็นปัญญาก็ได้พระที่อยู่ทางเหนือนหน้าหนาวอากาศเย็นมากถวายเสื้อไหมพรมที่ใส่ข้างในและหมวกไหมพรมได้ไหมครับได้เสมัยที่เราอยู่บ้านตากก็มีบางช่วงมันอุณหภูมิมันลดต่ำกว่าสิบเนี่ยมันหนาวบางทีก็ต้องคุมวันศุกษ์กันเสนอก็ต้องมีหมวกไหมพรมไม่ใส่แล้ก็ใส่ ใส่เสื้อที่เป็นไหมพรมอยู่เสื้อแบบไม่มีแขนนะใส่ไว้ข้างในเพื่อมันจะทําให้มีการอบอุ่นขึ้นใช้ได้คือแต่แต ว, วิธีใส่บางทีต้องให้มันเอเรียบร้อยหน่อยไม่ให้มันประเจิดประเจิดเวลาที่อยู่ในชุมชนบางทีก็ไม่ควรจะใส่หมวกอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องรู้จักกรารรักเทใส พระอรหันต์นิพานไปแล้วยังสามารถมาประกอบพิธีพุทธาพิเศษหรือลงทรงได้หรือไม่ครับไ ม, ไม่สามารถมาทําอะไรได้นะถ้าไม่มีร่างกายเงินที่เราทําบุญกับพระบางรูปไปใช้ในทางที่ผิดอย่างนี้เราบาปไปด้วยไหมครับไม่บาปเราเป็นเจตนาดีเราเชื่อว่าท่านเป็นพรนะแล้วก็เชื่อว่าท่านจะรักษาปฏิบัติตามธรรมไม่ได้ ถ้าท่านไม่ทำปฏิบัติทําให้เลยความเสียหายก็อยู่ที่ตัวท่านเองมไม่ได้อยู่ที่ผู้ให้เงินทองไปถ้าเรารู้เราก็อ ย, าาย่าไปถอยท่านไปต่อไปก็แล้วกันอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ถาถ้าจิตเราถึงทำเมื่อ น, นั้นเราได้เป็นโสดาบันเข้าใจอย่างนี้พอจะถูกทางโสดาบันแล้วหรือยังครับก็ต้องเห็นเห็นตายรับในร่างกายไงร่างกายว่าเป็น นั่งกายกับวิทนานี่มันเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เราสามารถปล่อยวางนั่งกายปล่อยวางวิทนาได้ก็แสดงว่าเราก็เข้าถึงขั้นสวดาบันไดทาไมที่เวลาที่นั่งสมาธิถึงง่วงนอนครับก็อย่างที่พูดนะบางทีเรากินอาหารมากเกินไปมันก็อยาให้ เราง่วงนอนเนี่ยไม่ตองไม่ไม่ว่าแต่จะนั่งสมาธิหรือบางทีนั่งทํางานบางทียังง่วงได้เลยตอนกลางวันเวลาไปกินอาหารกลางวันกลับมาเสร็จมาทํางานนี่บางที่มันยังเมาได้เลยเพราะนี่มันธรรมชาติของร่างกายพอมันมีอาหารเข้าไปนะมันก็จะทําให้มันรู้สึกง่วงนอนขึ้นมามันอยากจะพักผ่อนหลับนอนมากกว่าดังนั้นถ้าอยากจะภาวนาอยากปฏิบัติทำนี้ต้องท่านสอนว่าให้มีคการเอ่อเรียกว่า มีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพอให้กินเพื่อให้ร่างกายดับความหิวได้ก็พออย่าให้ร่างกายอิ่ไปอิ่มแล้วมันจะทำให้จกิดนิวรอนความง่วงเหล่านั้อยขึ้นมาได้ผมนั่งขัดสมาธิเพชรตั้งสัจจะนั่งประมาณสิบนาทีรู้สึกเวทนาความเจ็บหายแต่ใจมาเริ่มนิ่งผ่อนคลายความคิดอกุศลความฟุ้งซ่านเริ่มดี หายออกหายออกจากใจอันนี้คืออะไรครับพระใจนิ่งเบาลงนิงง่งสงบเวลาปฏิบัติขณะนั่งสมาธิเราเห็นความสว่างและรู้สึกถึงมันแล้วกลับมาอยู่กับกายแต่ไม่เจริญปัญญาเลยครับเวลานั่งสมาธิเรายังไม่ต้องานเจริญปัญญาเราทำงารทําใจให้นิง่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาท่านนั่นเอง เป็นถามครับขณะกำหนดพุโทโธได้สักพักจะมีอาการที่ท้องพองยุบเป็นแบบต่อเนื่องเราควรทำอย่างไรต่อไปครับก็แล้วแต่เราเราจะใช้อะไรเป็นที่ยึดเดนี่ยวจิตใจเราถ้าเราใช้พุโทโธก็ไม่ต้องไปสนใจอาการของท้องยุบหรือพองขึ้นมาแต่ถ้าเราต้องการใช้อาการของท้องยุบหรือพองเราก็เราก็ไปดูที่ท้องแทนแล้วต้องมีอะไรให้ดูให้จิต คอยเฝ้าดูให้มีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจิตจะได้ไม่ไปคิดไปเกิดความโลภความอยากขึ้นมาแล้วจิตจะได้เข้าสู่ความสงบได้ในนั่งสมาธินี้ต้องมีอะไรถูกใจไว้จะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นการอูท้ทงยุบหนอพองหนอก็ได้การเดินจงกรมที่บ้านทางเดินไปยาวจะต้องเดินอย่างไรครับก็เดินตามสบาย ยันสิบเก้า<ต>ไดเา้เราถ้าแต่เราจะเลือกเดินนสั้น้วจะยาวเราก็เลือกน้เดินได้ไดยปกติท่านบอกว่าทางเดิน ถ, ถ้าเราถ้าสามารถกำหนดได้กัทานเดินหนึ่อ ง, องต่างก่บคนประมาณยี่สิบห้าเก้าขึ้นไปหอยี่สิบเก้าถึงสี่สิบเก้าจะเป็นระยะทางที่เหมาะต่อการเดินชมควมไปกับ แต่ถ้าเราอยู่ในที่มันไม่สามารถกําหนดได้ ก, ก็ก็ต้องเป็นไปตามสถานที่บางทีมันสั้นแต่มันอาจจะเดินแบบบางทีมีทางเดินนอบบ้านเราก็อาจจะเดินรอบบ้านไปก็ได้เหมือนเหือนเดินเวีนเทียนรอบเจดีไปก็ได้เหมือนกันการเดินโยงกลมนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเช่นความวุ่น อ, นอย่าง แล้อีกปัญหาหนึ่งก็คือการเมื่อถ้าเรานั่งนานๆแล้วมันกจจ็จะปวดจะเมื่อยตามร่างกายเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเดินแทนแการการจรณ์สติ ก, ก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังใช้พุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราใช้การดูลมแล้วก็เปลี่ยนมาดูเท้าแทนไปจะช่วยคุณแม่ให้มีความสุขใจทุกๆวันควรเริ่มต้นอย่างไรครับ ความสุขใจของแต่ละคนที่อยู่ที่ตัวขอ ง, ขอ ง, ข, องของคนคนนั้นเราไม่สามารถที่จะไปทําให้เขาสุขใจได้นอกจากว่าเร า, <ม>เราอยาไปเราทําหน้าที่ของเราให้ดีสมบูรณ์ก็พอส่วนเขาจะสุขใจหรือไม่ก็ไม่แน่บางทีเราทําดีแสนดีเขาอาจจะไม่สุขกับเราก็ได้ที่ตัวเขาลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยครับแต่โอนเงินมาให้แม่ไว้ใช้จ่าย แล้วแม่เอาเงินนั้นไปทําบุญด้วยลูกชายได้บุญด้วยไหมครับลูกชายได้บุญขั้นม่โอนเงินมาให้แม่แนะยกยกแค่นัถ้าถ้าลูกชายโอนเงินแล้วบอกให้แม่เอาไปทําบุญนี่แล้วแม่เอาไปทําบุญนี่แม่กลับไม่ได้บุญมีแต่ลูกชายได้บุญเพราะว่าแม่ทําหน้าที่รับรับใช้ลูกทําหน้าที่เอาเงินไปทําบุญให้กับลูกเท่านั้นเอง แต่ถ้าอยากจะให้แม่ได้บุญแล้วล ja ูกก well. <hist> well right ็ได <Okay. S 2> the ้บุญด้วยลูกก็เอาเงินไปให้แม่โดยที่บอกว่าขอทําบุญกับแม่อันนี้ลูกก็ได้บุญนะจากการทําบุญกับแม่แล้วถ้าแม่อยากจะเอาเงินไปทําบุญกับวัดต่อแม่ก็ได้บุญด้วยได้บุญเองกันแต่ลูกไม่ได้เะอันนี้เป็นเป็นบุญของแม่แต่ถ้าบอกว่าเอาผมเอาเงินมาเพื่อแม่จะได้ไปทําบุญนี้ถ้าแม่ไปทําบุญแม่ไม่ได้บุญเลย เพราะแม่รับใช้ได้บุญจากการรับใช้แต่ไม่ได้บุญจากการเอาเงินไปทําบุญถ้ายังเสพการโดยดูคลิปโป้ออนไลน์แต่ไม่มีการเสพการจากการมีสัมพันธ์กับใครการดูคลิปโป้จากสื่อออนไลน์แบบนี้อย่างนี้ถือว่ายังไม่บรรลุพระโสดาบันใช่ไหมครับพระโสดาบันยังมีการเสพการอยู่ต้องเป็นพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะไม่มีการเสพการต่อไป หลังจากสวดมนต์แล้วเราแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพวกเขาจะได้รับไหมครับคือการแผ่เมตตาต้องแผ่กับคนที่เราสามารถพบปะได้ต้องต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดเี่เนไปพบปะนักทยก็ทําให้เขามีความสุขด้วยการทักทายเขาสวัสดีสบายดีเลยครับอะไรอย่างนี้ไปหรือถ้าเราอยากให้มีความสุขมากกว่นี้นั่ก็ เอาของที่เขารักเขาชอบให้เขาเอามาให้เขาหนึ่เขาชอบกินทุเรียนเจ้มหนี้ก็ไปซื้อทุเรียนมาให้เขานี่เขาก็จะมีความสุขแล้วก็การให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็เราเป็นการแผ่เมตตาแต่ไม่ใช่แผ่ด้วยการนั่งสมาธิหรือโ ด, ย, ดยการสวดมนต์นี่ไม่ได้แผ่ให้ใคร ช่วงนี้ฝนตกจะมีแมลงสาบตัวเล็กๆหนีฝนเล็ดลอดเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นสิบตัวเกิดความกลัวเลยจำเป็นต้องไล่หนีกวาดออกไปแต่จิตรู้สึกหดหูเหมือนเราขาดเมตตาจะทำวางจิตอย่างไรดีครับและควรทำอย่างไรที่ไม่รู้สึกผิดครับก็บล่อยมันบล่อยมันเข้ามาหรือทาถ้าเป็นเม่น่ากดับไฟนะอยู่ในที่มืดเอามันมืดมันก็ไม่เข้ามา เจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหมครับจะรู้ได้อย่างไรครับคือเจ้าเจ้ากรรมนายเวรก็หมายถึงคนที่ก็มีปัญหากับเรานะั่นแหละเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่เกลียดชังเราหรือคอยหาเรื่องกับเรานี้เรียกว่าเป็นคู่กรรมกันเจ้ากรรมนายเวรแต่คนที่เขาทาช่วยเหลือเราดูแลเรานี่ก็เรียกว่าคู่บุญของเรากาบเรียนถามครับ พระไม่ปฏิบัติตามพระวินยัยจะเจอวิบากกรรมมากกว่าคารวะไม่ครับมันแล้วแต่ว่ากรรมนั้นมากน้อยต่างกันยังไงการไม่ปฏิบัติพระวินัยนี่มันก็ยังก็อยู่ที่ว่ามันรุนแรงมากน้อยเพียงไรด้วยถ้าไปทําทําผิดพระวินยัยเช่นมันทําปลาราชีกอย่างเนี้อันนี้ก็เป็นกรรมหนักของพระต้อง ต้องสิกธิขาละน่าสิกธิขาไปไม่ว่าถ้าเป็นฆ่าคนนี้จะเป็นพระหรือเป็นการะวาดมันก็วิบากมันก็เท่ากันกรรมันเดียวกันกรรมเหมือนกันนีว่วิบากมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นการละวาดทำใจกับการพัดพลาดจากคนที่รักได้ยากมากแม้รู้ว่าต้องจากกันในวันหนึ่งครับจะต้องทําอย่างไรครับ ก็ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนอยู่ทุกวันสอนไปเรื่อยๆยับต่อบย้ำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันใจมันจะค่อยๆ อ, อ่อนลงแล้วยอมรับได้เลยที่สุดมีคําถามคล้ายๆกันครับบอกว่าแมวตายครับร้องไห้ทำให้รู้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปครับอืมเราไม่คิดไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆพอเกิดเหตุการณ์จริงใจเราก็จะไม่เศร้า นั่งสมาธิใช้พุโทโธแต่จิตก็ยังออกไปคิดจะทำอย่างไรให้จิตรวมได้ครับเต้องฝึกสติให้มากแบบนี้ต้องพุโทโธตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิคือให้ฝึกพุโทโธทั้งวันไปเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถ้าเราจะมีสติมากพอเรานังแล้วพอเราใช้พุโทโธจิตก็จะไม่ออกไปคิดเหมือนมีน พระที่เล่นมือถืออย่างนี้ผิดวินัยสงฆ์ไหมครับไม่ใช่เป็นกิจของพระนะถ้าเล่นนะแต่ถ้าใช้ใช้เพื่อเชื่อเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ยังไม่ถึงว่าผิดนะบาสมัยนี้ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างนี้แต่ถ้ามาเล่นเกมเล่นอะไรเสพสุขเสพรูปเสียงกินนด้นผ่านทางมือถือนี่ก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์ที่จะพึงกระทำ การบวชเป็นภิกษุณีใครเป็นผู้บวชให้ครับและจําวัดเดียวกับพระภิกษุได้หรือไม่หรือต้องแยกไปเฉพาะภิกษุณีครับอาจารย์คือการจะบวชเป็นภิกษุณีได้ น, น, น, น, นี้มันต้องมีสองทั้งภิกษสุสงฆและภิกษุณีสงฆ์ถึงจะสามารถบวชภิกษุณีได้แต่ตอนสมัยนี้เราไม่มีภิกษุณีสงแล้วก็เราไม่สามารถบวชให้เป็นภิกษุณีได้บวชได้แต่ให้บวชให้เป็นภิกษุได้นันน่นเอง คุณกิตพรน์บอกว่าน้อมกราบพระอาจารย์ครับได้ฟังทำจากท่านแล้วจิตรวมลงได้เร็วมากขั้นต่อไปแล้วทำจิตต่อไปแบบไหนต่อครับให้ชํานาญให้รวมได้ทุกเวลาที่เราต้องการและให้เวลารวมแล้วให้มันมีอยู่นานๆใจอยากจะพ้นจากทุกไม่อยากเกิดต่อไปแล้วทั้งที่รู้ว่าควรเร่งปฏิบัต แต่บางครั้งก็ยังติดขี้เกียจอยู่อย่างไรจะขออุบายจากพระอาจารย์ในการสอนจิตให้มีวิทยะในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับให้คิดถึงความตายอยู่นเรื่อยๆว่าความตายนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนเมื่อาจจะเกิดขึ้นกับลราวันใดวันหนึ่งก็ได้มันจําจเป็นว่าเราจะต้องอยู่ไปถึงแก่แล้วถึงค่อยตายไปถ้าเราเลิกถึงความตายบ่อยๆความไม่แน่นอนของชีวิตไม่นอาจจะทำให้เรา มนค่าวพยานเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าเป็นต้นเราจะละกรรมที่เคยทําต่อ บ, บิดามารดาได้อย่างไรครับอย่าไปทําซ้ําอีก อ, อันเจ่าที่ทำไป แ, แ, แล้ว ก, ก, ก็ก็ต้องปล่อยมันผ่านไปนะอย่าไปทํากรรมใหม่อย่าไปทรรไําทซ้ําอีก เดี๋ยวนี้รําคาญคนอื่นรอบตัวง่ายขึ้นมากไม่แน่ใจเกิดจากกิเลสตัวไหนพระอาจารย์พอจะแนะนําวิธีจัดการอารมณ์นี้ได้บ้างไหมครับได้เพราะเราไม่สันโดษไม่ยินดีตามมีตามเกิดเราจู้จี้จุกจิ ก, จกจอยาให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทํา็เลยทำให้เราเสื่อมรำคาญนึ้นมาใพยายามฝึกใจให้เราสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด เขาจะทำยังไงก็ได้ก็จะโหะ่เล่าเจะดูถูกเราเขาจะเชื่นชมยินดีเราเขาจะลังเกียจเราก็ได้ทั้งนั้นทุกข์ของอริยสัจคืออะไรหรือแปลว่าอะไรครับขอพระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ด้วยครับความทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายไม่สบายใจยเราก็ทุกข์ด้วยอืเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็ทุกข์ด้วยใจยเราก็ทุกข์ด้วย เสียของแล้วยังน่ามาเสียใจความทุกข์ใจก็คือความเสียใจนี้ความเจ็บปวดทางร่างกายที่เกิดขึ้นพระอาจารย์สอนว่าอย่าไปอยากให้มันหายแล้วถ้ามันเจ็บปวดเราต้องกลั้นความรู้สึกนั้นไว้หรือเปล่าครับเไม่ต้องกลัน้นนะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้ากั้นได้ก็ดีกั้นไม่ได้ การหมายถึงทําให้มันหายไปใช่ไหมครับมันทําไม่ได้ถ้าทําได้ก็ดีทําได้เราก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันจะบไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เจ็บแต่มันทําไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเจ็บเราทําได้ก็แค่ทําใจไม่ให้เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายเท่านี้ไม่ทุกไปกับความเจ็บของร่างกาย เวลากรวดน้ําระลึกถึงผู้ล่วงรับไปแล้วจะส่งถึงหรือไม่ครับหรือเป็นเพียงกุศโลบายทางโลกครับถ้าเราทําบุญแล้ว อ, อุทิศไปโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ให้เราคิดอยู่ในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าก็รอรับอยู่เขาก็จะได้รับอุทิศได้จะใช้น้ําก็ได้มันใช้น้ําก็ได้ไม่สําคัญสาคัญอยู่ที่เรามีบุญหรือเปล่าเราทําบุญด้วยอย่าง ทำบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ลงนามไปแล้วด้วยการระลึกภายใน ใ, ใจเราช่วงนี้มีจิตลบหลู่ครูบาอาจารย์ควรจะไปใกล้ท่านไหมครับไม่ต้องหรอกแต่คอยสอนใจคอยห้ามใจว่าอย่าไปลบหลู่ใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันไม่ดีหรอคิดดังลคิดคิดลายกับผู้อื่นนี่ไม่ดี นั้เวลาคิดลายแ ล, ล้วก็ปัญญาระงับมันหยุดมันสอนมันว่าอย่าอย่าคิดลายแบบนี้มันจะทําให้เกิดโทษกับเรามากกว่ากลประโยชน์มีคนถามว่าตอนที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆนี่เคยมีความรู้สึกท้อบ้างไหมครับจะว่าท้อมันไม่ท้อหรอกบางทีมันก็มีความรู้สึกที่มันมันทุกข์อ่ะเพราะเราเหนืยสตินะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็ลองได้สติว่าเราก็ลองเผยสติแล้วเรากพยายามปลุกสติขึ้นมาแล้วความทุกข์นั่นมันก็จะหายไปแต่เรื่องความท้อรู้ไม่มีนะถ้ามันถ้ามันท้อมันคงจะมบวชไม่ได้ถ้ามันบวชแล้วถ้ามันท้อมันก็ต้องมันก็ต้องเสกไป็นนานนะมันจะเดินหน้าไันอย่างเดียวสู้ไม่ถอยอย่างที่หลวงตาบอก เนื่องจากพื้นที่ในบ้านไม่กว้างครับเราสามารถตั้งเขตการเดินจงกรมโดยมีความยาวประมาณ2เมตรพอจะได้ไหมครับเพราะเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วครับก็แล้วแต่เรามาจัดการได้เวลานั่งสมาธิเมื่อหลับตาเราควรต้องมองเห็นอะไรเล่นเช่นพัก เ, เช่นพวกพักระูปไหมครับไม่ต้อง คือถ้าเราใช้พุโทโธแล้วก็ให้เราได้ถึงคําว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องเห็นอะไรหลับตาเพราะมันไม่เลยกระปล่อยมันเมืม่อไปไม่เห็นอะไรไม่ไม่สําคัญสําคัญขเขาให้ใจเรามีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดจึงเราใช้คําบริกรรมพุโทโธแล้วก็อยู่กับคําบริกรรมไปถ้าเราจับลมแล้วก็เราก็ดูลมไปดูความรู้สึกของลมที่สัมผัสที่ปลายจมูกไปเท่านั้นเอง อยู่คนเดียวแต่ใจกลัวอะไรมากจนต้องหาหมอกินยาคลายเครียดขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับเพราะเรากลัวตา ย, ยานีถ้าเรายอมตายเราก็จะหายกลัวการที่เราจะทำสมาธิเราสามารถจะทำได้ทุกเวลาเลยไหมครับถ้าเรามีเวลา ไ, ได้ถ้าเราไม่มีเวลาก็ทำไม่ได้ถ้าเราทํางทำงานนี่ก็ทำไม่ได้ เวลาไหนที่เราว่าจากภารกิจอย่างอื่นเราก็สามารถทาได้เรายังเป็นโสดาบันไม่ได้ใช่ไหมครับหากเราต้องการให้คนอื่นมีนิสัยตามที่เราต้องการเขาเป็นส้มแต่เราอยากเขาเป็นมะม่วงอยากเขาเป็นในทางที่เราพึงพอใจตามที่ใจเรานึกคิดแต่ในทางปฏิบัติเรายังทำไม่ได้ตะะแต่บะดแตกอย่างนี้เป็นโซดาบันปลอมอยู่ใช่ไหมครับ ก็มื่อทีสโสดาบันก็ยังมีมความอยากอยู่เนี่ยต้องเป็นพระอาหานะันตถึงยังไม่มีความอยากให้ใครเป็นอะไรเห็นทุกอย่างเป็นสัพเพธรรมานัตตาไปหมดถ้าสโสดาบันนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของท่านท่านั้นเองที่ท่านปล่อยวางได้ในเรื่องคนอื่นท่านก็ยังอาจจะปล่อยไม่ได้ฝากแม่ค้าขายกับข้าวโดยบางส่วน เชื่อแม่ค้าใส่บาทพระสี่ลูกอุทิศบุญให้พ่อเพราะตื่นสายอย่างนี้พ่อได้รับบุญไหมครับได้ถ้าพ่อนอ ร, รับอยู่นะก็ถามต่อว่าถ้าแม่ค้าใส่บาทให้ครบทุ่นทุกครั้งอย่างนี้แม่ค้าได้บุญไหมครับอาจารย์ไม่ได้หรอกแม่ค้าเขอาจจะได้บุญจากการรับใช้เราช่วยเหลือเราท่านเองแต่ไม่ได้บุญจากการการ ให้ข้าวของกับพระใส่บาตรเนี่ยเขาจะไม่ได้บุญส่วนนั้นเขาจะได้บุญในในการช่วยช่วยเราใส่บาตรให้เท่านั้นเองคือได้บุญจากการช่วยเหลือผู้อไม่ได้ได้บุญจากการให้ทานี่ยทานนี้เป็นของเราขอาการถามต่อจากเมื่อกี้เรื่องทางเดินจงกรมนะครับพอดีฟังคําสอนเรื่องวิธีเดินจงกรมในหนังสือหลวงตามหาบัวให้หยุดเดินที่ปลายจงกรมสักพักก่อนจะกลับตัว และหมุนเดินหยุดเดินที่หัวจงกรมสักพักก่อนกับตัวและยืนต้องยืนทําความรู้สึกตัวว่ากําลังยืนอยู่หนูเข้าใจผิดไหมครับหรือเราควรเดินแบบเดินไปไหนมาไหนปกติมันเดินข้ามถนนด้วยสติแบบนี้คือรู้สึกว่าเวลาเดินจงกรมมันจะเก๊กเก๊กเกงเกงผิดปกติกับเวลาเดินครับก็นอกจากถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องหยุดแล้วพิจารณาอะไรก็หยุดได้ถ้าเราไม่มีความจาเป็นเราก็เดินถึงไป แล้วก็เลี้ยวกลับแล้วก็เดินต่อไปก็ได้อันนี้มันไม่ได้เป็นของตายตัวว่าเราจต้องทําแบบนั้นแบบนี้ข้อสําคัญคือให้เรามีสติในขณะที่เราเดิน น, นั่นเองเป็นหลักให้ใจเราอย่าไปอยู่ที่อื่นให้เราอยู่กับการเดินและอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปใส่บาดพระกับใส่บาดเนมอย่างนี้ได้บุญเท่ากันไหมครับเพราะเนนศีลน้อยกว่าครับอย่างที่บอกว่าคนร่ำไม่เกี่ยว บุญที่เราได้จากการให้ของเรานี้ให้ใครเราก็ได้บุญให้พ่อให้แม่ก็ได้บุญให้หมาก็ได้บุญมีข่าวการประกาศขอตัดขาดจากการเป็นลูกกับแม่เนื่องจากทนการกระทำผิดของแม่ซ้ำๆจนลูกทนไม่ไหวขอความเห็นพระอาจารย์ว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนาครับมันประกาศไม่ได้หรอกความเปจริงก็ยังเป็นน้าลูกกันอยู่ท่าน งั้นจะไปประกาศแล้วไม่ประกาศมันก็ยังเป็นแม่ลูกกันอยู่งั้นไม่รู้ว่าเขามาประกาศให้มันเสียเวลาทําไมประกาศเพื่อที่จะระบายมากกว่าระบายความทุกข์ของเขาอะไรที่ว่าถ้าตัดกันเป็นแม่ลูกแล้วจะทําให้เขาสบายใจขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่การตัดขาด น, นี้ตัดไม่ได้หรอกฐานหน้าผ้ามันแม่กับลูกมันก็ต้องเป็นแม่กับลูกไปจนวันตายไง โวยบ่อยจนทนความเจ็บได้เยอะขึ้นเวลาเจ็บมากๆก็จะนึกถึงธรรมะพุโทโธพุธโทโธจะมีช่วงที่เจ็บมากจนหลุดลืมธรรมะลืมพุโทโธเพราะทรมานมากต้องตั้งสติอย่างไรครับก็กลับมาหาที่พุโทโธไปอย่าทิ้งพุโทโธเลยแล้วใจาก็จะมีสติทำให้ใจาวางเฉยได้ ตามฟังธรรมมาครบสี่ปีแล้วครับการปฏิบัติยังขึ้นขึ้นลงๆเป็นกราฟแต่สิ่งที่มีมากขึ้นคือสตินะครับอาจารย์บริจาคให้เด็กยากจนสร้างบ้านให้คนจนได้บุญเท่ากับให้วัดไหมครับเมย่างที่พูดนะการให้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับบุญที่เกิดจากการให้นี้ผู้รับนี่เขาอาจจะมาทําประโยชน์มากน้ยต่างกันเท่านั้นเอง ว่อา จ, จะทําประโยชน์ได้มากกว่าให้กับคนจนคนจนไม่มีธรรมะไม่มีไม่มีที่พึ่งให้กับคนที่เวลามีความทุกข์ใจถ้ามีวัดบางทีก็สามารถไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมไปกำจัดความทุกข์ใจของเขาได้เพรฉะนั้นประโยชน์ของผู้รับนี้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความสามารถของผู้รับว่าสามารถทําอะไรได้มากน้อยเท่านั้น ถ้าอยากมีเงินแต่เพื่อนําเงินไปใช้ในการดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูตนเองทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นเราจะบรรลุโสดาบันได้ไหมครับถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ครับมันคนละเรื่องกันนะเรื่องโสดาบันนี่มันเรื่องของการที่เราปล่อยวางร่างกายของเราได้นะเรื่องของความอยากนี่มันก็อยู่ที่ว่ามันมันมันเป็นกิเลสหรือเปล่านะตอนปกติแล้วมัน ถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าอยากได้เงินได้ทองถึงแม้จะเอาไปทําบุญเอาไปช่วยเหลือคนไหนก็ตามมันก็ยังสามารถทําให้ใจทุกข์ได้อยู่ถ้าอยากเราไม่ได้เงินตามที่เราอยากขึ้นมางั้นก็ต้องดูที่ว่าอยากเราใจเราทุกขหรือไม่ถ้าใจใจทุกข์ก็จะถือว่ายังเป็นกิเลสอยู่ยังไม่มบรรลุธรรมแต่ถ้าอยากโดยที่ไม่ทุกข์ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นพระอริยะได้ เวลาที่เราทำบุญต้องให้กับเทวดาก่อนไหมครับและอุทิศให้กับญาติที่เสียไปแล้วต่อเลยได้ไหมครับแล้วแต่เราอยากจะให้ใครก็ได้ท่าน บ, บุญของ เ, เป็นของขอเราเราอยากจะให้ใครก่อนใครหลังก็ได้พระอริยเจ้าท่านสามารถปล่อยวางความทุกข์ใจที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ตลอดเวลาไหมครับถ้าเป็นพระโสดาบัดก็ได้ มีการยานมิตรพาหมาไปตลาดขากลับลืมหมาไว้ในรถวันต่อมาหมาตายคุณทําบุญอุทิศให้เขาอย่างไรครับเพื่อทํางินใส่บาตไปได้บริจาคเงินให้โรงเรียนโรงบาลไปก็ได้มันก็รอุทิศได้เป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญที่เราอุทิศได้ผม อ, อนิจฐานถามแล้วถวายขอให้พระ แล้วพอท่านทําผิดจนต้องลาสิกขาแล้วเราขอของคืนมาได้ไหมครับเราไมาขอท่านเลยไม่รู้เหมือนกันแค่แล้วโดขอเข้ามาได้ไหมเขาเป็นของของเขาแล้วแล้วให้เขาไปได้เราไปขอเขาขกาได้แต่จะได้หรือไม่เราก็ไม่มีไม่มีอำํำนาจที่จะไปบังคับเขาได้ คนที่มีส่วนสร้างเวรกรรมให้เราเดือดร้อนเขาจะได้รับผลกรรมทางโลกไหมครับก็เขาทำกรรมอะไร้วาเขาต้องรับกรรมนั้นกลับไปหาเขาอยู่ดีทำร้ายพูนตัวเองก็ต้องถูกเขาทำร้ายเบียดเบียนพูดต่อไปตัวเองก็ต้องกคนหนึ่งก็เบียดเบียน กับสาธุในคําสอนของพระอาจารย์นะครับยังไงให้ใจตั้งมั่นอยู่กับความดีตลอดพอเวลามีคนมาว่าหาว่าไปวัดเพื่ออะไรว่าพระเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะพูดให้เขาเข้าใจอย่างไรบางคนก็ไม่เข้าใจเลยครับการวัดกี่ยวพระก็เหมือนกับสถานที่ต่างๆที่มีความแตกต่างกัน่ะบางแห่งก็ดีบางแห่งก็ไม่ค่อยดีมันเอาไม่คนที่จะเบ่าว่าเหมือนกันหมด ถ้าเจอพระรูปหนึ่งเสียงก็มาว่าพระทั้งประเทศเสียงมันไม่ถูกเ้ารู้จักแยกแยะว่าพระดีก็มีพระเสียก็มีะก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปจะดีกว่าเหมือนหมอก็เหมือนกันหมอก็หมอดีก็มีหมอไม่ค่อยดีก็มีใช่ไหมไม่ใช่หมอเจอหมอไม่ดีคนเดียวพามาหมอทั้งหมดว่าทั้งประเทศไม่ดีไปหมด การสวดมนต์ถ้าไม่ได้สวดที่ห้องพระสวดที่เตียงนอนบทสั้นๆได้ไหมครับและจะต้องแผ่เมตตาไหมครับน่ แ, แต่เราจะแผ่ไม่แผ่มันแผ่ไม่ได้หรอกเพราะการแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดด้วยการระลึกต้องแผ่ด้วยการกระทำต้องเจอคนนั้นคนนี้แล้วก็ทําให้คนนั้นคนนี้ก็มีความสุขก็เรียกว่าแผ่เมตตาสวดจะสวดที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับ วันนี้ได้นั่งสมาธิหน้ากุฏิหลวงพ่อมีมแมลงวันบินเข้าไปในหูแต่ไม่สนใจท่องพุโทโธต่อไปจนหมดเวลาทำถูกต้องไหมครับสักพักใจไม่ไปยุ่งกายว่างไปพักหนึ่งครับถูกต้องเพราะถ้าเราไปยุ่งกับกายเราก็ใจเราก็จะ ว, วุ่นวายขึ้นมาถ้าเราไม่ไปนสนใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เคยมีผู้กล่าวว่าการรักษาศีลห้า ข้อหนึ่งถึงข้อสามได้ก็ถือว่าเป็นโสดาบันได้แล้วจริงไหมครับไม่จริงเหรอเราควรวางจิตอย่างไรเมื่อมีข่าวพระที่มีชื่อเสียงประพฤติปฏิบัติไม่ดีครับก็อย่างที่พูดว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันไปในสังคมในโลกนี้พาก็มาจากคนก็ต้องมีพราส ด, ดีบ้าไม่ดีมาก เราก็แยกแยกไปภาไม่ดีเราก็เลิกนับถือไปภาดีเราก็รับเราก็นับถือต่อไปท่านเองเวลานี้กำลังนอนฟังธรรมะอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปถ้าเราอยู่คนเดียวมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ของเราเวลาเรานั่งเรานัเราจะมีสติ ด, ดีกว่าถ้านอนดี๋ยวเราก็อาจจะเคลิ้มหลับไปได้ เมื่อไปหาหมอตรวจร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ใจเราไม่ทุกถือว่าเราผ่านบททดสอบไหมครับก็ดูไปเรื e ่อยๆก็ถือว่าก็ผ่านไปแล้วแต่จะผ่านได้มากดน้อยต้องเราดูเหตุการณ์ต่อไปว่าเราจะผ่านไปจะในขั้นตายได้หรือไม่นั่งสมาธิแล้วเหมือนมีอะไรเดินที่ตาที่แก้มครับคืออะไรครับ ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอาการของจิตมันบางทีมันก็หลอกมราได้สร้างอาการขึ้นมาหลอกเราเพราะฉะนั้นในสมาธิมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจเราอย่าไปสนใจให้ปลุกใจไว้อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าดูดลมก็ดูดลมไปไม่ต้องมาสนใจกับวอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ถ้าเราไปสนใจเดี๋ยวเราจะเคร่งเราจะเสียสติขาดสมาธิยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้ การทําทานเราควรวางจิตยอย่างไรครับคือบ่อยวางเลยของชิ้นนี้ที่เราให้คนนี้ไปไม่ใช่ของของเราแนละ้วให้เขาไปนัก็เข็ไของเขาเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาการเดินวิปัสสนาจําเป็นต้องมีสมาธิลึกไหมครับคือลึกไม่ลึกมันอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะ ดับความทุกข์หรือไม่การนั้นมีปรัสนาเพให้เห็นว่าเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราแล้วถ้าเรามีสมาธิมากน้อยก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถหยุดความอยากนั้นได้มากได้น้อยถ้ามีสมาธิมากก็จะหยุดความอยากได้มากถ้ามีสมาธิน้อยก็จะหยุดความอยากได้น้อยเมื่อความอยากหยุดความอยากได้น้อยความทุกข์ก็ยังมีอยู่ว่าถ้าหยุดความอยากได้มากความทุกข์ก็จะเหออยู่น้อย อยูที่ความสามารถของสมาธิว่าจะหยุดความอยากได้หรือไม่ปัญญาเพียงแตบอกว่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์เขาต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้ามีสมาธิมากก็จะหยุดได้ถ้ามีสมาธิไม่มากสู้ความอยากไม่ได้ก็ยังหยุดความอยากไม่ได้นั่งสมาธิจะสว่างเหมือนกลางวันทั้งที่หลับตาจะแก้ไขอย่างไรครับ ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องสนใจปล่อยเขาสะอานไปเราก็ดูรอมไปด้วยพุทโธไปเราเดินจงกรมแล้วฟังธรรมะไปด้วยพิจารณาตามเดินจงกรมแล้วฟังธรรมะไปด้วยถือว่าเป็นการเจริญปัญญาหรือปรัสนาไหมครับเพราะเรานึกคำเจริญปัญญาได้ไม่มากครับก็ได้แต่ยังมานเนลาของคนอื่นยอยังไม่ได้เป็นอของเราเวลาที่เราไม่ได้ฟังปัญญาก็จะหายไปทันที ช่วงเวลาที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิรู้สึกสว่างสงบแนวทางที่จะทำให้ความรู้สึกแบบนี้เกิดในระหว่างวันที่เราทำงานใช้ชีวิตปกติทำยังไงครับให้ใจสงบแบบตอนที่เราสวดมนต์ครับก็ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้ใจมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาถ้ามีคนพูดกับคนอื่นให้เข้าใจเราผิดต้องวางใจอย่างไรครับ เฉยๆไปไม่ใช่เรื่องของเราใครจะพูดอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราทำใจรักษาใจให้เราเฉยให้เองแล้วก็ปลอดภัยกลับเรียนถามเพิ่มเติมครับว่าถ้าเดินจงกรมผมก็สามารถเดินรอบหมู่บ้านก็ได้ขอให้มีสติระลึกตลอดเวลาใช่ไหมครับได้แต่การเดินจงกรมควรจะเดินในที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านจะดีกว่าเพราะถ้ามีคนพลุกพล่าน เราจะเสียสติเสียสมาธิเพราะใจจะแวะไปหาคนนู้นคนนี้เห็นคนนู้นคนคนี้นันั้นารเดินจงกับการปฏิบัติธรรมนี้ควรจะอยู่แบบสถานที่ไม่เวกหือห่างไกลจากบุคคลห่างไกลจากกิจกรรมอะไรต่างๆตามเรียนถามพระอาจารย์ครับมีหลวงพี่ท่านหนึ่งโอนเงินมาให้ผมฟรีและผมก็เลยโอนเงินไปถวายวัดป่าแห่งหนึ่งนะครับ เป็นอะไรไหมครับหรือไม่ที่รับเงินจากพระแล้วเอาไปทําบุญต่อครับท่านพระท่านมีมีความเสน่ห์หาท่านอยากจะให้เงินเราพอท่านโอนมามันก็เป็นของเราเราจะไปทําอะไรก็เป็นเสร็จของเราหมอพบว่าผมมีก้อนเนื้อน่าสงสัยอาจจะเป็นมะเรง็งผมก็คิดว่าเราเกิดมาตาย ต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่ว่าโรคหรืออุบัติเหตุหรือร่างกายหมดสภาพพยายามคิดปล่อยวางมีแวบแวบกังวลบ้างวางใจแบบนี้พอใช้ได้ไหมครับถ้าไม่กังวลเลยต้องใช้เลยต้องสบายมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระที่มีข่าวว่ายอกยอกเงินไปทําสิ่งที่ไม่ดียังถือว่าเป็นพระอยู่หรือไม่จําเป็นจะต้องลาศึกศึกก่อนหรือไม่ครับ จริงก็ต้องพิสูจน์ก่อนการกล่าวหานี่มันเป็นสิ่งที่ยังต้องรอเวลาพิสูจน์แต่พระพุทธเจ้าก็เคยถูกเขาเกล่าวหาว่าไปทําให้ผู้หญิงท้องเไม่ใช่พอให้กล่าวหาปุ๊บก็ต้องเชื่อทันทีว่าเป็นความเป็นจริงก็ต้องให้ให้โอกาสทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่กล่าวหาและผู้ที่ถูกกล่าวหาให้หาหลักฐานมายืนยันให้ชัดเจนก่อนว่าใครใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิด ดนั้นเขาก็มีกฎหมายกฎหมายพาคอคลายถูกกาห า, า, าเพราะว่าจับเอาไปถันคุกเลยไม่ใช่ไ่ไหมเขาก็ต้องขึ้นศาลนั้นแล้วคห้ศาลตัดสินนิติโดยอาศัยพยายนหลักฐานต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายจะเอามาอ้างอิงกันฝ่าย <_ t ot> ไห น, นที่มีน้ําหนักมากกว่าฝ่ายนั้นก็อาจจะชนะไปดังไม่ว่าใครก็ตามเวลาถูกกาหาแล้วไม่ได้่ า, าเขาผิดทันทีนะ ตองรับพิสูจน์ด้วยหลักฐานก่อนขอาการพรอาจารย์ช่วยแนะนําครับขณะที่นั่งสมาธิจนรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจแล้วควรทําอย่างไรต่อไปครับก็นั่งต่อไปเหมือนเดิมก็ดูที่เดิมอยู่ที่ลมหายใจไม่มีหายใจก็ดูความว่างไปแต่ดูที่จุดเดิมแล้วเราดูลมที่ปลายจมกูกก็ดูที่ตรง น, นั้นไปไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอะไร ให้ดูต่อไปให้ดูว่าตอนนี้นมจับไม่ได้เนาหายไปก็รู้ว่าลมหายไปเท่นั้นเองพี่ชายเสียชีวิตเสียสติตั้งนานแล้วทําบุญอุทิศบุญพี่จะได้รับไหมพี่ชายตอนมีชีวิตรักน้องมากๆครับก็อยู่ที่ว่าดวงนิญญามารอรับหรือไม่ถ้าดวงวิญญาณเขาไปผุดไปเกิดแล้วเขาก็ไม่มารอรับบุญ อุดจิตไปเขาก็ไม่ได้รับช่วงนี้มีแต่ข่าวพระไม่ค่อยดีจนไม่อยากจะทำบุญจะต้องทำยังไงะครับก็ข่าวดีๆของพระบ้ า, บางไป <c oughs> เวลาพระทำความดีไม่ค่อยมีใครไม่มีใครเอามากระจายกันเพอแล้วเจอพระทำความไม่ดีก็ามาพระโมกระจายกันเหมือนกับไฟไฟไม้ป่า ถ้าทําความดีก็มีต้องเยอะแยะแต่ไม่มีใครเอามาเผยแผ่ในอย่างหนึ่งภาพที่ท่านทำความดีท่านก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ด้วยซ้าไปท่านชาติปิดทางหลังพระใช่มากกว่าเงี้ยต้องคิดดีตอนนี้มีพระในประเทศไทยตั้งกี่กี่แสนรูปสามแสนรูปแล้วเพิ่มีทางแค่รูปสองรูปนี้เรแต่ไว้น้อยยิงต้องสองแสนกว่ารูปนี้ท่านไม่ดีไปหมดหรือเปล่าคิดด้วยปัญญาบ้างสิ ผมกับเพื่อนไปทำบุญที่วัดเพื่อนยืมเงินไปทำบุญแล้วยังไม่ได้คืนเพื่อนจะได้บุญจากการทำบุญนี้หรือไม่ครับหากเขาได้คืนเงินมาภายหลังจะยังเป็นบุญด้วยหรือไม่ครับถ้ายังไม่ได้คืนเราบุญนันจะเป็นอของเรามากกว่าพอเข้าเงินของเราไปทำบุญไม่ใช่เงินของเขา เป็นพระโสดาบันตายแล้วไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไหมครับก็เป็นได้อยู่ในสุคตินะจะเป็นเทวดาแมันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ไม่ใบ้ใบ้ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไม่ไปตกต่ลกได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ทําให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ครับอยินดีด้วย มีคนบอกว่าห้ามมีพระพุทธรูปในบ้านเพราะพระมีบารมีสูงจะทําให้ชีวิตวุ่นวายพระควรบูชาอยู่แต่ในวัดควรเชื่อหรือไม่เชื่อครับรู้สึกสับสนครับไม่เชื่อหรอกไม่ควรเชื่อภาพเป็นสิ่งที่ม้วนมป็นม้วนคนภาพเป็นสิ่งที่เตือนสติให้เราทําแต่ความดีเงินภาพอยู่ที่ไหนมีแต่มีแต่คนมีประโยชน์ทั้งนั้นไม่ได้ทําให้ชีวิตเราวุ่นวายแต่อย่างใดกิเลสต่างๆที่ทําให้ชีวิตเราวุ่นวาย ค ว, ความโลภความโกรธความลของเราในต่างหาการรมะก็จะทําให้จิตเราสงบรู้สึกบาลานซ์ทางโลกกับธรรมะไม่ลงครับชอบดูการ์ตูนแต่ก็รู้ว่าเป็นกิเลสจะเลิกก็ยังไม่มีความสุขจากธรรมะมาทดแทนดูไปก็ไม่สุขเหมือนเดิมเหมือนหาทางกลางไม่เจอควรจะทําอย่างไรครับก็ควรทำธรรมะให้มากขึ้นแล้วต่อไปผลทางธรรมะก็จะเกิดขึ้นมากขึ้น แล้วเาก็จะมีความสุขทางธรรมมากขึ้นเราก็จะเลิกความสุขทาง่ลงได้ทำสมาธิเมื่อจิตรวมเราสามารถท่องบทสวดบทพุทธคุณในสมาธิได้หรือไม่ครับเวลาจิตรวมแล้วไม่ไม่ทําเลยเพราะความคิดหยุดไปเวลาตื่นนอนนั่งสมาธิก่อนออกไปทํากิจวัตร แต่ชอบสติหลุดนั่งนิ่งไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับระบายารมณฝึกสติต่อไปให้มากขึ้นเป็นแม่บ้านใส่บาตรให้เจ้านายได้รับบุญส่วนนั้นบ้างไหมครับเป็นอยู่ที่ของเป็นของขอไทยถ้าของของเจ้านายเจ้านายก็ได้บุญในส่วนที่เป็นของของเขาด้านบุญจากเราจจะไม่ได้บุญเลยเพราะาเราเป็นลูกจ้างเขาเขาจ้างเรามาทํางานแล้วได้แต่เงินเดือน่ะ แต่ถ้าเราทำให้เขาฟรีไม่รับเงินเดือนเราก็จะได้บุญจากการที่เรารับใช้เขาเวลาออกจากสมาธิต้องอุทิศบุญไหมครับมันไม่มีบุญจะอุทิศนะบุญอุทิศ น, นี้ต้องเกิดจากการทำบุญทำทาน นั่งสมาธิพักใหญ่เห็นตัวเราเองนั่งอยู่มีแสงอ่อนๆรอบข้างเราเบามากๆ ม, มีคนมาสกิตทิ่ขาแต่เรารู้สึกได้อย่างนี้คื อ, อยังไงครับอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิมันมีอะไรปรากฏขึ้นมาได้มากมายอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับดูลงไปนำเงินไปทำบุญบริจาคแต่คนที่รับบริจาคยังไม่ได้นำสิ่งของไปถวายวัด บุญนี้จะเกิดขึ้นตอนไหนครับเกิดขึ้ น, น, นตั้งแตอนที่เราให้เงินเขาไปแล้วถ้าเราไม่ไปยึดติดกําเงินนั้นไม่ไปกังวลเถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วเ ร, เราเราบริจาคกันไปแล้วส่วนคนที่ย่าไปนี่ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะเอาไปทําทําที่เราฝากเขาได้หรือไม่ตั้งใจถวายผ้าไตรให้เจ้าที่แผ่บุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายร่วม พ่วงไปด้วยได้ไหมครับก็จะอุทิ่ให้ใครก็ได้ทั้งนั้นทิ่ให้กี่คนก็ได้คุณแม่จากไปหกปีแล้วนะครับเวลาทำบุญให้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่ได้รับหรือไม่ครับไม่รู้หรอกเพราะเราไม่มียาอย่างทราบได้ บอกว่าช่วงนี้มีข่าวไม่ดีของพระระดับสูงขอให้ทําจิตสงบมีสติสํารวมแล้วดูข่าวการเมืองบ่อยๆเราจะลืมเรื่องพระไปเลยอย่างนี้ดีไหมครับก็ไม่ต้องลืมก็ได้พแต่เอามาสอนใจเราว่าพระก็พระก็สามารถทําบาปได้เหมือนกันไม่ใช่ต่างกันโดยเฉพาะคารวา่านั้นเองทุกคนมีมีสิทิที่จะทําบาปด้วยกันทุกคนเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พิจารณาแล้วปล่อยวางไปทั้งในรับรู้แล้วก็ลวปล่อย อ่า น, นี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตโลกนี้มันโลกที่มีค้าเขากันไปมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปะปนกันไปจะให้ดีไปหมดไม่มีหรอกจะให้มันชัว่วไปหมดก็ไม่มีหนูอยากขอถามในช่วงจังหวะชีวิตตอนนั้นที่ท่านได้เคยเลือกทําได้ไหมหนูอยากนํามาปรับใช้ชีวิตหนูช่วงเวลานั้นที่ท่านเลือกที่จะมาบวช มีความรู้สึกอย่างไรและช่วงแรกที่เลือกมาบวชมีความรู้สึกเสียใจบ้างไหมครับถ้ามีความรู้สึกเสียใจเครียดท่านปลอบใจตัวเองอย่างไรครับคือเราโชคดีนะพอเราเริ่มปฏิบัติจิตเราก็สงบเลยเพราะจิตสงบแล้ ว, งงลวทีนี้มันปัญหาต่างๆหายไปหมดเลยมันมีความสุขกับความสงบ ม, มันมีมันอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปท่านั้นเองหความทุกข์ก็เกิดจากการที่ไม่ได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปท่านเองแต่ความทุกข์ที่อยากจะไป ไปทำโน่นทำนี้ก็ไม่มีมันมีแต่อยากจะปฏิบัติอยากจะน้างสมาธิให้มากขึ้นให้มันสุให้มันสงบได้นายขึ้นเ่เองถ้าใช้ผ้าไตรที่คนถวายเวียนมาได้บุญไหมครับอ่ใช้ผ้าไตรเวียนเหมือนกับเวียนถวายกันนะครับอาจารย์คือถ้าเราจ่ายเงินนี่เราก็ได้บุญ ทือธรรวัฒน์วันนี้ก็จัดของไว้ให้เราไงวันที่เราเรีบมาทําบุญแล้วไม่มีเวลาที่จะวะไปซื้อตามั้านก็หวังว่าธรรว่าน์อาจจะมีผ้ า, ตาไตเวีนให้เราเราก็ไปจากเงินไปแล้วก็ผ้าไตนาี้มาถวายพระเราก็ได้บุญเหมือนกันเราไปซื้อผ้าไตามาจากที่ร้านไม่ต่างกันคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ไม่อยากทรมานให้จิตเศร้าหมองเลยยินยอมให้หมอใช้ยาฉีดยา เพื่อให้ไปอยากสงบอย่างนี้บาปไหมครับบาปถ้ามีเจตนาให้ตายถ้าเป็นการฆ่าตัวตายอาจารย์ครับขอปกาศครับวันนี้มีคนฟังดูอยู่ในเฟซ608 ค, คนในยู682คนในคลับเฮ u s e 5ในติกต อ, อก514รวมเพื่อนๆฟังทำด้วยกัน 1,809 คนนะครับ อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา15นาทีพระอาจารย์ตอบไป114คำถามครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามานั่งสนทนาถามตอบคำถามหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากมากไม่มากก็ น, น้อยเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ดีขึ้นไปต่างลำดับสำหรับการสน ท, ทานาทำรลอดคืนนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสึกความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยงขึ้นไปเรินสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงทนี้ถ้าไม่มีเหตุการ์เข้าอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ